มันเป็นของอยู่ในโลกมันไม่กี่ปีมันก็หมดแล้วเพราะน่้นทุกคนให้หันหน้าพฟหากันปรึกษาปารรกกันหันศีลธรรมเข้าหากันมีเมตตาต่อกันกลุจักแม่งสันตันส่วนอันไหนควรจะได้อย่างไรไม่ใช่ว่าโลกโหโมก็นะันมีอะไรกับโลกพอทั้งหมดมีอะไรก็จะแย่งเขาจะเป็นใหญ่ทั้งหมด มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะคนเกิดในพื้นแผ่นดินไทยมีสิทธิ์ที่จะได้แบ่งสปันส่วนกัน อ, อยากจะให้จิตใจทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจะได้ย่าทรรมที่ดีอย่าได้เบียดเบียนชิงกันและกันอย่ามองกันเห็นคนอื่นเป็นผักเป็นปลาเป็นคู่อริสัตรูให้น ท, ทุกคน เป็นผู้มีบุญคุณต่อประเทศชาติต่างคนก็นต่างเสียภาษีด้วยกันขณะหลวงพ่อที่อยู่ในป่าหลวงพงไพ่หลวงพ่อเป็นพาะหลวงพ่อก็ยังเสียภาษีให้แก่ชุมชนหลวงพ่อเสียอะไรเห็นในชัดๆกับหลวงพ่อไปนั่งรถไปเติมน้ำมันเขาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหลวงพ่อเจ็บมอบอกเขียนว่าภาษีมูลค่าเพิ่ ม, มเจ็บอันนี้ ได้ชัดๆกันนะแต่ส่วนอื่นนั้นเอาขอมาใช้ในวัดก็ได้เสียภาษีไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกันแต่สรุปแล้วก็คือการได้มาการเสียไปก็เพื่อคนในชาติเพราะนั้นทุกคนก็เห็นแก่ประเทศชาติปานเมืองไม่เห็นแก่ผักแก่พวกไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ควรจะอันไนผิดอันไหนถูกก็เป็นที่รู้กันแอ้ต่าคนก็ต่าง ได้รับการศึกษาดีๆ ส, สูงทั้งนั้นปริญาตรีโทเอกทั้งนั้นแถมยังโอฟิเซอร์อีกต่างหากปริญญาเอกหลายคแขนงอีกต่างหากผ่านการบ้านการเมืองมาอย่างโศกโศนอันไหนผิดอันไหนอันไถูกะจะไม่รู้เหรอถ้าว่าจิตเรศความโลภโหมโมกขนะโกโรบโกดหลงเขาอยู่ในจิตใจของพวกเราแล้วก็มองไม่เห็นเพราะมันมืดบอด มันมืดหูมันหนวกใจมันบอดนะถ้าเป็นลักษณะนั้นนจะมองไม่เห็นจะมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดเพราะกิเลสราคะโทสาโมหะอยู่ในจิตใจตถ้าว่ากิเลสราคะโทสาโมหะของเราเนี่ยเบาบางลงมันน่าจะรู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกสูงต่ํำดำขาวอย่างไรเนี่ยหลวงพ่อจะจะบอกกล้าตักเติอน ญาติโยมพี่น้องประชาชนเหมือนกันถึงจะหลวงพ่อจะไม่ไปพูดชนใหญ่ก็หลวงพ่อก็ทําความเข้าใ จ, จากับฝอยพระสงฆ์สถาญาติโยมต่อไปภายภาคหน้ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะได้ใช้สติใช้ปัญญาความหยับยั้งในจิตใจสรุปแล้วก็คือขันติคือความอด ท, ทนเนี่ยเพราพระพุทธเจ้าท่านทุบช่องเชิดชูบูชาเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็สมยพระชาติชาติหนึ่ง ฟังดูแล้วก็นหน้าฟังน้าศึกษาอันนั้นคือพุทธะคือพุทธะที่ท่านบำเพ็ญรนบเ็อย่างสุดโต่งว่าท่า่รักษาศัตร์ทนรักษาจริงจรงักษาันติทานก็รักษาจริงๆท่านทานรักษาศีล น, นก็รักษาจริงจท่านให้ทานเนี่ยท่านก็ให้ทานจริงๆอย่างพระเวชชันดรท่านให้ทาน ใหานจริงๆในดึกษาในประวัติท่านส ม, มัยเป็นท่านรักษาศีลเป็นผู้ฤทธัสั์เป็นพญานาถึงใครจะฆ่าจะตียงไงท่านก็ไม่ร่วงละหมดศีลของท่านแต่ชาติหนึ่งท่านเป็นฤาษีท่านรักษาขันติขันติคือความอดทนท่านเข้าไปที่ไหนท่านก็ที่แหล่ทำก็เกิดเป็นพรามณ์ เปานสาัตตุกูลพรามณ์ไม่ไม่ใช่กษัตริย์เพเป็นพราหมณ์จากนั้นทางออกปวดเป็นเืฤาษีอยู่ในป่าฉันก็ไปบมเพ็ญท่านก็ยกย่องเชิดชูบูชาขันติที่ความอดทนใช้ได้ในที่ทุกสถานถึงจะมีอะไรข้าไปเจ้าจะไม่โกรธจะมีขันติความอดทนแล้วก็พร้อมกันข้าจะใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองเหตุและผล แต่ข้าพเจ้าจะถือขันติคือความอด ท, ทนเป็นเบื้องหนังเราจะไม่โกรธ ใ, ใครใครเราจะทํำสิ่งไหนจะทําเห็นว่าสิ่งนี้ถูกต้องแล้วถึงจะทุกข์ยากลำบากอย่างไรข้าพเจ้าก็จะใช้ขันติคือความอด ท, ทนพยายามทำสิ่งนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้เทิงจะร้อนถึงจะหนาวข้าพเจ้าก็จะอดทนต่อร้อนหนาวนั้นข้าพเจ้าจะทําสิ่ง ที่ว่าเห็นประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ให้สําเร็จอันนี้คือคือขันติของพระโพธิสัตว์จากนั้นท่านก็ไปบวชอยู่ในป่าเป็นฤๅษีอยู่หลายปีพออยู่ป่าดงพงไผ่ท่านก็อยากจะทานอาหารเค็มโดอยู่ในป่ามันไม่มีเค็มไม่มีเกลือลท่านก็อยากจะมารทานอาหารในเมืองเป็นบางครั้งครับ แนี้ท่านก็มาพักอยู่ที่อุทยานของพระเจ้าแผ่นดินคือสวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินตามปกติพระเจ้าแผ่นดินจะมีส่วนใจส่วนอุทยานจะเป็นฤาษีสีพรายพอมาพักก็ได้บำเพ็ญเป็นสวนสาธารณะแต่เมื่อพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จเข้าไปเขาก็ให้คนเหล่านั้นออกไปก็เขาคงจะกันตำรวจทหารเตรียมพร้อมรักษาไว้แต่คราวนั้นฤาษีท่านอยู่ในป่าท่านก็ไป อยู่ในมุมหนึ่งไปอยู่ในมุมหนึ่งของอุทยานพวกอุทยานทหารตำรวจเขาเห็นว่าฤาษีท่านไปอยู่ในมุมหนึ่งก็คงจะไม่มารบกวนพระเจ้าแผ่นดินมาท่านก็อยู่องค์เดียวอยู่แบบเงียบสงบตอนเชาา้ามาท่านก็ไปบินธาบาตมาฉันฉันใช่แล้วก็ไปถ้ามีใครเข้ามาหาท่านจะจับผรมเรื่องขันติคือความอดทนถ้าคนนะถ้ามีความอดทนอยู่ในสถานที่ใดโดยมากจาก เป็นคนดีได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในระหว่างพักพู้ในระหว่างสามีภรรยาในระหว่างลูกหลานทั้งหลายถ้ามีขันติที่ความอดทนไว้ในใจอย่าใช้อารุมโมโหโทโซออกไปคนนั้นจะเป็นคนดีจะเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมกงุ่มสกุลเพราะเป็นผู้จิตใจเยือกเย็นมีขันติและก็พร้อมกับปัญญาพิจารณาตรายตองเหตุและผล ควรจะใช้ยังไงอย่างนี้หรือสีนั้นเขาท่านก็สอนพี่น้องประชาชนตามลำดับมาแต่วันนั้นท่านเข้ามาในส่วนอุทยานเทพเจ้าเป็นดินขี่โมโหอารมณ์โกรธพระเจ้าเป็นดินนิโโนนนสัยไม่ดีให้อกนั้นมางั้นแต่แล้วก็พร้อมกันก็เป็นคู่อริชัตรูกับพลษีต่างหากงั้นแต่เด็ท่านก็มาพักเสด็จเข้ามาพัก พอมาพักแค่นี้ต่อไปนแล้วก็นอนหลับไปโกมจิกินเหล้าเมาแล้วก็นอนหลับออกไปพักผ่อนทั้งกายทั้งใจว่างันแต่เหนื่อยอ่อนเพลียมาแล้วก็เลยออกไปในสวนก็ไปพักก่อนแต่นี่เปนุมนาเราก็อยู่ไม่กี่คนสองสาคนแต่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ถ้ากันหาเที่ยวชมสวนอุทยานนะพอไปก็ไปเจอกด้วยสีเข้าทีนี่ไปจอกด้วยสีก็ พกนก็เข้าไปลุมน้อมหลายร้อยคนมานลยไปถามท่านฤาษีท่านทําไมจึงบวชท่านบวชละมิตรจุดประสงค์อะไรท่านฤาษีท่านก็สอนเรื่องขันติอยู่แล้วท่านห่วงมืงเราเข้ามาบวชเราบำเพ็ญขันติคือความอดทนเรามองไม่เห็นครับข้ออื่นที่จะมีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อโลกเท่ากับขันติ ถึงไคจะดกด่าว่าก้าวเราเราก็ต้องขันติไว้ก่อนแล้วก็คอยมองเหตุและผลว่าเราจะแก้ไขอย่างไรไม่ใช่ว่า เ, เขาดามาเราก็ด่าไปเนครับขันติคือความอดทนโลกทั้งโล ก, กจะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นพวกเราทุกท่านให้มีขันตินะที่ได้ท่านกำลังสั่งสอนในพวกสนมนาดีที่เป็นบริษัทบริวารของพระเจ้าแผ่นดินอยู่ ตอนนี้พระเจ้าประเด็นตื่นขึ้นมาตื่นออาโงนั่งไร่ไหนมาพวกข น, น, ไไ น, กนมนาลีที่นั่งล้อมรอบสองสามคนเขาไปชสมสวนเขาเดินไปชมสุนแต่ทาไงไปทางโน้นแล้พระเจ้าประเด็นก็เลยเดินเดินตามหาเขาพอเดินตามหาไปเห็นฤกษ์ศรีกำลังสอนบริษัทบริวารของคนเองอยู่พระเจ้าประเดินก็มเมเหลาพอนั่นนีนั้นแต่ ก็เห็นฤทธิ์ศรีก็เหมือนกับไม้เท่มตาอีกและตัวเองก็มีอำนาจย่างเด็ดขาดอีกพร้อมที่จะตัดคอใครก็ได้สมัยนั้นพระราชาชิดขาดตรนั้นกดอยู่กับพระราชาคนเดียวจะตัดคอใครก็ได้ผิดหรือถูกไม่ว่าแต่ที่ผ่านเห็นฤทธิ์ศรียืนนั่งอยู่ตามลำพังบริษัทบริวารหอ้อมร้อมคือสมภมนาลีของตัวเองทั้งหมดหอม้อมร้อมอยู่นั้น แล้วก็ฤาืีเนี่ยนอันในอดีตชาติก็เป็นคู่อะไรคู่ศัตรูกันมาก่อนประราชาี่คือเทวทัตเหมือนเด็กฤาษีนีน่คือประพตทธเจ้าจองร่างจองผานกันมาก่อนพอเห็นเท่านั้นแ่ะโอ้โหมันทิ่มเข้าหูเข้าตาทั้งหมดเหมือนเด็วิ่งเข้าไปเพื่อจะอาดับตัดคอเลยตัดคอฤาษีเลยทั้งที่ยังไม่ได้รู้อะไรนะเพียงแต่เห็นว่าในขนมนาลีย ของตัวเองเป็นนั่งห้อมร้อมเชานนั้นแหละเกิดอารมณ์โกรธอย่างมากเหมือนกันแตน่พวกนั้นก็นลุคือขึ้นมาปกป้องก็เลยังมีดดาบลงได้แต่ถึงยังไงก็ตืแต่พระราชาเป็นโกรูโมโหโถวูฉในจิตใจบอกน้าสังเพศสัคาดมาเดี๋ยวนี้อบอกยังนพศสัคาดเขามาไปจำทีทันทีไพอไปจำทีเสร็จแล้วเอา รอศีท่านสอนอะไรเมื่อกี้เนี่ยฤศีว่าอาตมาภาพสอนความอดทนขันติคือความอดทนอ่านะละท่านจะได้รู้ว่าอดทนนันคืออะไรท่านจะอดทนได้ยังไงนะไปเจ็บเทศกาลามัดก็มัดแทงมัดขาดเสร็จแล้วก็เอาแสาแ้ไหวเอาไว้มาเ ท, ทียนขนหัร้อยที คือตีคือโผลห้ารอยทีตีสี่ข้างห้าร้อยทีข้างซ้ายขางขวาคงจะอันนันอมั่งปายขากระเดินไปไงขันติของท่านหมดหรือยังเลยสีบอกว่ายังขันติมันไม่อยู่ในกายขันติมันอยู่ในใจของอันตามาภาพต่างหากเพราะนั้นถึงจะเชื่องกับเชียนกายมันไม่ถึงกันขันติของกระเพาจ้าอยู่ในใจถ้าอย่างนั้นอา้าวก็จะคาด ตัดแขนพอตัดแขนตัดข้อเท้าไปไง่ายพื้นสีก็บอกว่าสันติไม่ได้อยู่ในมือในแขนในเท้ามันอยู่ในใจเอาตัดจมูกตัดหูผลที่สุดพื้นสียังตอบอย่างเก่าพระราชาโมโหอย่างมากขึ้นไปกระโดดขึบ อ, อกพื้นสีเหมือนนันจากนักนก็เดินออกไป พอเดินออกไปพอรับสายตาแผ่นดินก็สู่เทวทัตในขาวนั้นลงไปสู่เอเวกีมหานารกจากนั้นพลุสีก็ยังไม่ตายนะก็ทึบขนาดนั้นแหลอำมาต์ทั้งหลายที่อยู่ในเบญวรงวงก็เข้ามากเข้ามาก็เก็บข้อเท้าเก็บมือเก็บเก็บหูเก็บจมูกของพลุสีจากนั้นก็ขอโทษขออภยัยถึงท่านจะโกรธเคืองให้แก คนก็นให้โกรธเด็เฉพาะพระราชาเท่านั้นอย่าไปโกรธเถื่องให้แก่ประสบม่กรพีน่น้องประชาชนเพราะเขาไม่รับผู้รับชาพลาชทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องของพระราชาส่วนตัวของพระราชาเท่านั้นขอท่านฤาสีจงอดโทษให้แกกลวงประชาชนฤาษีบอกว่าอาตมาภาพไม่มีอะไรมีแต่ขันติคือความอดทนจะไม่โกรธให้แกใครทั้งหมด ถึงพระราชาทำให้แก่พระพุทธเจ้าขอให้พระราชาจงทรงพระเจริญอันนั้นคือชาติเป็นชาติบําเพ็ญขันติคือความบททุนของฤาษีที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบําเพ็ญมาถึงขนาดนั้นจากท่านเป็นไม่นานความเจ็บปวดของท่านฤาษีเข้าใจขนาดบรรณาภาพไปเขาก็เลยจัดการเผาศพ ข, ของฤาษีแทนพระราชา พระไลชาหมดลงไปในแผ่นดินหาเงียบเกลื่อนกันเลยไปสูเวทีมหานรพนิทานเรืว่ว่าชาดกเรื่อนในสอนให้รู้ว่าขันติคือความอดทนถ้าทุกคนมีความอดทนในจิตในใจรู้ขันติอยู่ที่ไหนความอดทนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจถ้าคนมีความขันติมีความอดทนอดกลั้นอยู่ในใจไปนิสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใ ด, ดมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น ก็พร้อมที่จะไต่ตรองเหตุและผลว่าเรื่องราวเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไม่อย่างเนี้ยคนในชุมชนและกลุ่มคนเหล่านั้นครอบครัวเหล่านั้นวงการนั้นๆก็จะมีแต่ความสงบพรมเย็นเป็นสุขเพราะต่างคงก็ต่างมีขันติดแต่ถ้าว่ามีตะขันแตกด้วยกันคนนั้นก็แตกขันนี้นก็แตกแง่กูดา่ามึงมึงก็ดา่ากูกูว่าให้มึงมึงก็ว่าให้กู ม, มาด่าขาทําไม ขาดอดมานานแล้เป็นขันติเลยการปฏิคนน้าเป็นขันแตกแล้วเนะี่ยถ้าโลกทั้งโลกเป็นอย่างนั้นแล้วความวุ่นวายความหายยนะ ก, ก็จะมาเกิดในชุมโจนในสังคมนั้นๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขันติคือความอดทนอันนี้ก็เป็นธรรมที่ยับยั้งโลกของเราให้อยู่ด้วยกันสงบพรมเย็นเป็นฝุ่นให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ํา ให้รู้จักพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้รู้จักวงศ์สานายาตยิให้รู้จักเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ให้รู้จักวัยวุฒิคุณนวุฒิควรปฏิบัติตนอย่างไรให้รู้จักฐานะอาภานะควรจะปฏิบัติตนอย่างไรกับคนกลุ่มนั้นชุมชนเหล่านั้นในการสถานที่นั้นๆถ้ารู้เราใช้ปัญญาพิจารณาไต่ตรองเหตุและผลพร้อมกันก็มีขันติคือความอด ท, ทนเป็นพื้นฐาน ดูนักสถานที่ใดก็ราพึงเรียบร้อยสวยงามไม่มีฟิกมีภัยกับใครๆทั้งหมดให้เราคิดไปอยู่เสมอว่าถึงจะทำยังไงโดดเด่นโดดดังร่ลำรวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนล่ะเราจะต้องทิ้งทั้งหมดเราเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างกระดูกของเราก็ยังเอาไปด้วยไม่ได้เราจะไปเสริมเราจะไปอโอหังมังคโล อย่างตรงภาษาศัพท์ของหลวงปู่ลานโอหังมังคโลโอหังเนี่ยได้แค่ว่าวอวดอางวางเขาเพราะงั้นไปทำไมอะไรมากมายนักหนาอีกสักวันหนึ่งเท่านั้นหละยังไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะเนี่ยข้าก็จะหายสับดิ์ศรจากโลกมากต่อมากไปแล้วถ้าจะบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วว่าบันทึกไหเรื่องราวเกิดขึ้นในโลกเราจะบันทึกไปไหมคนละหกสิบล้านคน ในเมืองไทยจากนั้นโลกทั้งโลกไปกี่หมื่นกี่แสนล้านคนใครทาอะไรปไปบ้างเราก็ชันหนึ่งเรากคนหนึ่งที่ทําดีทําชั่วในคนกลุ่มนั้นเพราะนั้นอีกสักวันหนึ่งข้าก็จะต้องหายสายบสูญข้าปลอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามถึงใครจะเป็นยังไงก็ตามข่าพระเจา้าต้องเป็นคนดีคนหนึ่งสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําทําในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้อง เ, อเรา พวกเราอยู่ในชุมชนกลุ่มคนใดอยู่ในญาติพี่น้องใดพ่อแม่ใดบงศาขนาดญาติใดเราจะทําดีที่สุดในบงศาขนาดญาติกันนั้นอย่างนั้นเราก็าพยายามสั่งสค์บุญกุศลเข้าสู่จิตใจอีกด้วยอย่าประมาทเพราะตายแล้วไม่ศูญในหลักของพุทธศาสนาพุทธเจ้าบอกไว้แล้วตายไปแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะพุทธเจ้าได้สูตรมาแล้วโคตรมาแล้วดูมาแล้วตรวจตรามาแล้ว ปุเพในาวารสานุสติยานนลลึกชาตทนหลังได้ถ้าพรุทิเจ้าตายแล้วสูนท่านจะนัละลึกชาทินหลังได้อย่างไรที่ทนลลึกชาทนหลังไเพราะมันไม่ศูนยนี้นเมื่อมันไม่สู น, สนตายแล้วต้องเกิดอีกแยะานี้เมื่อมันเกิดอีกภายภาคหน้าเราเตรียมพร้อมอะรอย่างภูมิทรัพย์ของเรามีพร้อมอะไรอย่างในกระเป๋าของเราบุคคลชนมีพร้อมอะอย่างที่จะเดินทางไปสู่ภายภาคหน้าถูกภพภมิต่างๆภพภมชาติหน้าต่อไป อันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องชิดจะต้องไตร่ตรองด้วยเหตุและผลต้องเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ฟังศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีดีมีชั่วมีบาสมีบุญมีดำมีมืดมีเฝ้ามีดำมีเกิดมีตายมีบุญมีบาสมีนรกมีชวั่วมีทำมีขับทำมันมีคู่ทั้งนั้นแหละเพราะนั้นเราพวกเราก็มีหูอยู่สองขางอยู่เหมือนกัน ฟังสายฟังกว่าฟังหน้าฟังหลังเหมือนกันในตาพวกเราก็มีสองอีกเหมือนกันดูให้ดีในโลกนี้อย่าไปเข่าข้างใดพังหนึ่งเพราะเราอยู่ไกลเพราะนั้นให้เราปิดปลาตรองด้วยเหตุและผลให้จิตใจเราห น, นึ่งเอาไว้อันไหนที่มันไม่ดีมันจะผล่ให้เห็นต่อไปภายภาคหน้ามันติดไม่มิต่อความชั่วความชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะความชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังเนยเพราะนั้น ความชั่วนนจะปิดไม่มิดถึงจะเองตัวมิดก็เธอะแต่ต่อไปภายภาคหน้านะมันจะผูจะรู้จะเห็นเพราะนั้นอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีทำแส่บุญกุศลทำแส่คุณมงามความมีก็สู่จิตใจพบมีชตินี่เราก็เย็นสบายสบายใจถ้ามีพบมีชาติเราก็ไม่ได้ทำความชั่วเราก็ไปสู่ความสุขความจเจริญต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นบุญกุศลควรสังสมเป็นอย่างจริง เยว่าปุญญาในปะโลกัสมิงปฏิถาโหรตีปานิน่าบุญเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกในระลอกหน้าบุญสมควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องสั่งสมเพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัพรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกในระลอกหน้าด้วยวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแก่พวกเรา ท, ทั้งหลายในระดับหนึ่งนะต่อเ น, นี้องไปรับพรอนุโมทนาให้พร